วันเวลาผ่านไปผ่านไปสิ่งที่ผ่านไปกับวันเวลาก็คือชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งชีวิตของเราก็จะต้องหมดไปนี่คือสัจ ธ, ธรรมความจริงของชีวิตที่พวกเรา ควรที่จะใช้เป็นเครื่องเตือนสติให้พวกเรารีบมาทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายของพวกเราถูกวันเวลากลืนไปกินไปวันเวลานี่เหมือนกับงูใหญ่ ที่จะเขมือบเหยื่อเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกงูใหญ่นี้เขมือกินไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ได้แต่การที่มีผู้ที่มาเกิดทีหลังมันเลยทําให้เรามองไม่เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องถูกวันเวลากิ น, กนไปหมดก็ทำให้เราหลงลืมไปว่าชีวิตของเรานี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆจะสั้นลงไปเรื่อยๆโอกาสเวลาที่เราจะตักตวงผลประโยชน์ให้แก่จิตใจของพวกเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราคอยเตือนตัวเองคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทำอะไรกันอยู่เรากาลังหาทรัพย์ภายนอกหรือเรากาลังหาทรัพย์ภายในถ้าเราหาทรัพย์ภายนอกเราก็ต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ชั่วคราว เป็นทรัพ์ที่จะต้องถูกวันเวลาเกืนกินไปหมดเมื่อร่างกายถึงแก่ความตายทรัพย์ภายนอกที่เรามีกันอยู่หากันอยู่ก็จะหายไปจากเราแต่ถ้าเราหาทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้เป็นสิ่งที่วันเวลาเกืนกินไปไม่ได้ทรัพย์ภายใน เป็นสิ่งที่เราจะเอาติดไปกับเราได้ทร mm. ัพย์ภายในนี่แหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ที่จะให้ความสุขทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วทรัพย์ภายในก็ยังอยู่กับเราที่จะดูแลเรารับใช้เรา ให้ความสุขกับเราแต่ทรัพย์ภายนอกนี้พอร่างกายตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกทรัพย์เหล่านั้นมาใช้ได้คนที่ตายไปนี้ไม่สามารถกลับมาเอาเข้าวของเงินทองที่เป็นของเขามาเอาไปได้เพราะว่าเขาหมดสิทธิ์ในทรัพย์ภายนอก พอร่างกายเขาตายไปทรัพย์ภายนอกก็กลายเป็นทรัพย์ของผู้อื่นไปทรัพย์ของผู้ที่ยังมีร่างกายอยู่เช่นทายาทของผู้ตายพอผู้ตายตายไปทายาทก็เป็นผู้ไปรับทรัพย์ภายนอกของผู้ตายผู้ตายเอาไปได้ก็คือทรัพย์ภายใน คือความสำคัญของทรัพย์ภายในที่เราอาจจะมองข้ามกันไปถ้าเราไม่ได้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเราจะลืมทรัพย์ภายในไปเราจะลืมความสำคัญของทรัพย์ภายในเพราะเราจะถูกความหลงหลอกให้เราคอยหาแต่ทรัพย์ภายนอกเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่า เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอาจจะคิดว่าเราตายไปกับร่างกายถ้าเราคิดอย่างนี้การหาทราบภายในก็ไม่รู้จะหาไปทำไมแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมฟังคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสองสาวกเราจะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยว่า เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่มีวันตายเรายังอยู่ต่อไปเราจะอยู่ดีอยู่อย่างมีสุขก็อยู่ที่ทรั์ภายในที่เราสร้างกันหากันอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธทรรมอยู่เรื่อยๆจนเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาเราก็จะได้ ไม่หลงไปกับการหาทรัพย์ภายนอกเพียงอย่างเดียวทรัพย์ภายนอกก็ยังหาอยู่แต่หาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นก็พอเพราะความสุขที่ได้จากทรัพย์ภายนอกนี้ซู้ความสุขที่ได้จากทรัพย์ภายในไม่ได้ความสุขจากทรัพย์ภายในให้ความอิ่มให้ความพอแล้วก็ตั้งอยู่ได้นานกว่าทรัพย์ภายนอก ซัพพายนอกให้ความสุขแบบหิวแบบไม่อิ่มแบบไม่พอแบบยาเสพติดยาเสพติดนี้ก็ให้ความสุขคนต่อผู้เสพแต่เป็นความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอเสพแล้วก็ต้องเสพอีกเสพไปเวลาใดที่ไม่ได้เสพก็กลายเป็นความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ตามกับทรัพย์ภายในที่เป็นเหมือนอาหารอาหารที่เรารับประทานให้กับร่างกายนี้ให้ความสุขและก็ให้ความอิ่มความพอไม่เหมือนกับยาเสพติดที่ให้ความสุขแต่เป็นความสุขแบบหิวโหยเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องเสพอยู่เรื่อยๆ และถ้าไม่ได้เสพก็จะทรมานทุกทรมานใจแต่อาหารที่เราให้กับร่างกายนี้พออิ่มแล้วก็จะไม่อยากจะรับประทานอีกนี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขของทรัพย์ภายนอกกับความสุขของทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ได้แสนหนึ่งก็อยากจะได้เพิ่มเป็นล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้เป็นสิบล้านร้อยล้านร้อยล้านก็ยังไม่พอไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรตามจริงทราบภายนอกนี้มีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นแหละประโยชน์ของมันมีเท่านั้นถ้าไปใช้อย่างอื่นนี้เป็นการ สร้างเป็นการซื้อยาเสพติดนะทรัพย์ภายนอกถ้าเราใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายนี้ยังถือว่ามีคุณมีประโยชน์เพราะร่างกายของเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกอาศัยเงินทองไว้สำหรับซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อยารักษาโรค ซื้อที่อยู่อาศัยพอร่างกายได้ปัจจัยสี่พอเพียงแล้วก็ไม่ควรที่จะไปซื้อมาเพิ่มอีกนอกจากมันขาดสิ่งไหนขาดก็ซื้อได้แต่สิ่งไหนที่ยังไม่ขาดกันก็ไม่ควรจะซื้อเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร เช่นเสื้อผ้าถ้ามีพอเพียงแล้วจะซื้อมาอีกกี่ชดุดมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายร่างกายมันก็พอต่อเสื้อผ้าที่มันต้องการใช้มันไม่เดือดร้อนแล้วซื้อมาอีกก็ไม่ได้ไปทําให้เกิดสุข mm. เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากลับกายเกิดเป็นภาระขึ้นมาที่จะต้องคอยดูแลต้องหาตู้มาเพิ่ม ตู้เสื้อผ้าพอซื้อซื้อมาซื้อมาเอ๊ะเต็มซะแล้วต้องไปซื้อตู้ใหม่เงเดี๋ยวไม่มีที่เก็บสำหรับเสื้อผ้าชุดใหม่ที่อยากจะซื้อขึ้นมาอีกอันนี้คือทรัพย์ภายนอกมีประโยชน์ในการเลี้ยงดูร่างกายที่ทุกคนจะต้องมีกันต้องดูแลกันถ้าถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ ร่างกายก็จะเกิดทุกข์เกิดความไม่สบายขึ้นมาได้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายได้จำเป็นจะต้องมีทรัพย์ภายนอกบ้างแต่มีพอให้เลี้ยงดูปากท้องร่างกายเพื่อที่จะได้ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองพอร่างกายอยู่เป็นปกติสุขแล้ว ปัญหาของทางร่างกายก็หมดไปถ้ามีทรัพย์มากกว่านั้นถ้าเอาไปใช้ทางอื่นก็เป็นการมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะว่าการใช้ทรัพย์ในทางอื่นคือใช้ด้วยความอยากอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากเล่นต่างๆ อยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆสิ่งเหล่านี้เมื่อใช้แล้วจะเกิดการติดเหมือนติดยาเสพติดนะเวลาใดที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้ไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินไม่ได้ดูไม่ได้เล่นแล้วรู้สึกไม่มีความสุขนะก็จะต้องคอยใช้มันอยู่เรื่อยๆพอใช้ไปก็ต้องหาใหม่ ก็จะวุ่นวายกับการหาเงินหาทองกันอันนี้ไม่ใช่วิธีหาความสุขให้กับใจเป็นวิธีหาความทุกข์ให้กับใจวิธีที่จะหาความสุขให้กับใจพอเรามีทรัพย์ภายนอกเหลือเกินกว่าที่เราจะเอามาใช้กับปัจจัยสี่มาใช้กับร่างกายแล้วเราก็ ควรเอาไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในยดีกว่าทรัพย์ภายในยที่จะให้ความสุขกับเราที่จะให้ความสบายใจอิ่มเอิบใจสุขใจและเราสามารถเอาความสุขความอิ่มเอิบใจนี้ติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ทรัพย์ภายในนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันคือมีความสุขมีความอิ่มมากน้อยตามระดับของทรัพย์แต่ละชนิดนทรัพย์ภายในนี้ก็เริ่มด้วยมนุษยทรัพย์นถ้าเรามีมนุษยทรัพย์เวลาตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อถ้าเราไม่มีมนุษยทรัพย์ เราไปมีเดราชานะัพเนี่ยเวลาตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นเดราชานแทนวิธีที่ทำให้เรามีมนุษย์ศัพท์กับเดราชาณนะทรับนี้ทำทำอย่างไรวิธีที่จะทำให้เราได้มนุษย์ยัพท์ทรัก็คือเราต้องมีการรักษาศี่ห้าเป็นนิสัยมีนิส มีศีลห้าประจำใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่ทำบาปทั้งห้าข้อนี้ได้เราก็จะมีมนุษยยาทรัพย์ขึ้นมาเวลาตายไปเราก็จะไปรับมนุษย์สัาทรัพย์ต่อ คือไปเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าเราไม่รักษาศี่ห้ากันเราทําบาปเพราะว่าเราต้องการที่จะหาทรัพย์ภายนอกบังที่หาทรัพย์ภายนอกโดยวิธีไม่ทําบาปมันหายากก็เลยมักจะไปหาทรัพย์ภายนอกด้วยวิธีทําบาปกันเราคงเห็น เห็นคนที่เขาทำบาปกันเพราะเขาอยากได้ข้าวของเงินทองอะไรต่างๆแต่เขาไม่มีความสามารถที่จะไปหาโดยวิธีสุจริตเขาก็เลยหาโดยวิธีทุจริตเนี่ยขโมยขึ้นบ้านนี้พวกนี้เขาก็อยากจะได้ข้าวของเงินทองต่างๆแต่เขาไม่มีความสามารถ ที่จะไปหาด้วยการทำรรหากินด้วยอาชีพสุจริญเขาก็เลยใช้วิธีลักขโมยลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือบางพวกก็ถึงกับป้นจี้ผู้อื่นและอาจจะถึงฆ่าผู้อื่นให้เสียชีวิตถ้ามีการขัดขืนมีการต่อสู้อันนี้เป็นการสร้างเดรัจฉานนะครับ เดือสร้างอบายยาซับอบายยารับนี้มีอยู่สี่ระดับระดับเดรชานระดับเปรดระดับอสูร ล, ลกายและระดับนรกอาบายยารับนี้เกิดจากการทําบาป <c oughs> ด้วยเหตุผลต่างๆทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะได้เดรชาณาซับ ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ได้เปลตตัดทรัพยนะ์ทำบาปด้วยความกลัวก็จะได้เอาสุรกายทรัพย์ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะได้นรกกระทัพย์อนี่คือผลจากการกระทำบาปด้วยวิด้วยเหตุผลต่างๆ4ี่เหตุผลด้วยกัน ทำด้วยความหลงไม่รู้ทำด้วยความโลภทำด้วยความกลัวทำด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดนี่คือ <c oughs> ที่มาของทรัพย์เหล่านี้ทำไมจึงมีสัตว์ในราชานในโลกนี้เต็มไปหมดทำไมจึงมีดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ เพราะว่ามีการกระทำบาปกันในขณะที่มีชีวิตอยู่ขณะที่เป็นมนุษย์กันนี่เองพวกที่ทำบาปกันนีอถ้าไม่ได้ทำบุญมาคอยค้านบาปมัง่งตายไปนี้ต้องไปอบายอย่างแน่นอนพวกที่ทำบาปแต่ยังมีความคิดที่จะทำบุญมีความคิดที่จะสร้างทรัพย์ที่ ที่สุขที่ดีมาคานกันก็อาจจะยังไม่ต้องไปรับผลบาปขึ้นอยู่กับว่าบุญที่ทำไว้นั้นมีมากกว่าบาปหรือไม่ถ้าบุญที่ทำไว้มีมากกว่าบาปก็ยังร อ, อาบาปก็รอลงอายาไว้ก่อนไม่หายไปบาปไม่หมดไปเพียงแต่ว่าบุญ มีกำลังมากกว่าบุญก็ไปบุญก็ดึงดวงดวงวิญญาณไปรับผลบุญก่อนไปรับผลบุญก็คือถ้ า, าทำบุญก็จะได้ไปเป็นเทวดาทำบุญทำทานบริจาคทรัพย์ข้าวของเงินทองต่าง แต่ยากถ้าเข้าของเงินทองที่ได้มานี้ได้มาด้วยการทำบาปต่อให้ทำหมดมันก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังมากกว่าบาปที่ทำได้อย่างมากมันก็เพียงแต่ทำให้บุญกับบาปเท่ากันเช่นขโมยเงินเข้ามามาแสนหนึ่งแล้วก็เอาเงินแสนนั้นไปทำบุญอย่างนี้มันก็เท่ากัน ถ้ากมลยมาแสนหนึ่งเอาไปทําบุญพันหนึ่งอย่างนี้ะบาปมันยังมากกว่าบุญเอบาปมันก็ยังที่จะออกดอกออกผลก่อน <c oughs> ทางที่ดีที่สุดอย่าไปหาเงินมาด้วยวิธีทําบาปเพื่อเอามาทําบุญเลยได้ไม่คุ้มเสียไม่มีวันที่จะได้บุญมากกว่าบาปที่ได้ทํเอาไว้ ได้อย่างมากก็คือเท่าทุนคือถ้าไปขโมยมาแสนแล้วก็เอาไปทําบุญแสนก็เหมือนกับเอาเงินเขาที่ขโมยมาไปคืนเจ้าของเขานั่นเองพอเอาเงินไปคืนเจ้าของเจ้าของเขาก็ยกโทษให้ไม่โกรธเมื่อเมื่อเจ้าของได้ทรัพย์ของเขาคืนเขาก็ไม่เอาเรื่องเอาเราวอืมนะงั้น ถ้าอยากจะทำบุญอยากจะได้ทรัพย์ของเทวทรัพย์นี่ต้องหมั่นรักษาศีลรักษามนุษยทรัพย์ให้ได้ก่อนอย่าไปสร้างบาปอย่าไปสร้างอบายทรัพย์อยากได้อะไรอยากมีอะไรก็ใช้ความอดทนอดกัน้นอดออมอยากจะซื้ออยากจะได้อะไรก็เก็บเงินเก็บทองไว้ก่อน พอมีเงินพอก็ค่อยไปซื้อมาอย่างนี้ก็จะไม่มีโทษตามมาแต่ถ้าเห็นอะไรอยากได้ไม่มีเงินมีทองจะซื้อก็แอบไปลักไปขโมยอย่างนี้ได้มาแล้วไม่คุ้มเสียความสุขที่ได้จากการได้รักทรัพย์นี้เป็นความสุขเดี๋ยวเดียว สุขตอนที่ได้ของมาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจขึ้นมาเพราะรู้ว่าการกระทำบาปการลักทรัพย์นี้เป็นมีโทษไม่ช้าก็เร็วอาจจะต้องถูกจับไปลงโทษต่อไปก็จะต้องมีความหวาดระแวงความกังวลความกลัวแต่ถ้าไม่ได้ทำบาป ไปซื้อของที่อยากได้มาด้วยเงินทองของเราเองความรู้สึกหวาดกลัวนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะสร้างทรัพย์ภายในเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลห้าเพื่อที่เราจะได้ สร้างมนุษย์ศยาทร์รักษามนุษย์ศยาทร์ที่เรามีอยู่ไว้ตอนนี้เราเป็นมนุษย์เราจะเป็นมนุษย์ต่อไปได้ถ้าเราไม่ทำบาปกันถ้าเราทำบาปความเป็นมนุษย์ของเราก็จะน้อยลงไปตามลำดับของการกระทำบาปเราก็จะเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเปรตไปเป็นเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายไปเป็นนรกดำ ตามปริมาณของการทำบาปและชนิดของบาปที่เราทำแต่ถ้าเรารักษาศีลห้ า, าไว้ได้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้รักษามนุษย์ศยสัพที่เราได้มาตอนที่เรามาเกิดกันไว้พอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไปได้ร่างกายอันใหม่ของมนุษย์ทันทีแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุข ที่มากกว่าความสุขของการเป็นมนุษย์เราก็ต้องสร้างเทวัพา์ขึ้นมาเพื่อเราจะได้ความสุขของเทวดาความสุขที่จะได้จากการเทวดะจากการไปเป็นเทวดาก็คือการทำบุญให้ทานนี้ควบคู่กับการรักษาศีลห้าถ้าทำบุญให้ทานแต่ไม่ได้รักษาศีลห้า ถ้าบุญน้อยกว่าบาปที่ทำไว้ก็ยังไม่สามารถไปเป็นเทพหรือไปหรือกลับมาเป็นมนุษย์ได้บาปจะดึงให้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสู ร, รกายหรือไปตกนรกก่อนฉะนั้นการทำบุญโดยไม่รักษาศีลห้านี้ยังไม่สามารถที่จะรับผลของกะของเทวทรัพย์ได้ ถ้าอยากจะได้รับผลของเทวทั์นี้ต้องปิดประตูอาบายก่อนปิดประตูอาบายด้วยการรักษาสีหน้าพออาบายไม่สามารถฉุดจิตให้ไปอาบายได้ให้จิตเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราทำบุญทำบุญทำทานบุญก็จะมีกำลังที่จะดึงให้จิตของเราขึ้นไปรับเทวซั์ได้ ให้ไปเป็นเทวดาได้ให้ไปได้รับความสุขมากกว่าการเป็นมนุษย์ความสุขของเป็นมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเวลาที่เราอยู่ตามปกติอยู่บ้านอยู่ใช้ชีวิตปกติไปทำงานทำการหาเงินหาทองพอมีเงินมีทองก็มาซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายอันนี้เป็นเหมือน กับความสุขของมนุษย์ถ้าเป็นความสุขของเทวดาก็คือเราหาเงินได้มากนอ ก, นอกจากเอาไปใช้กับปัจจัยสี่แล้วยังมีเหลือเฟือเราก็เอาไปเที่ยวกันไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเวลาเราไปเที่ยวนี้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าเวลาที่เราอยู่บ้าน ทำงานทำการหาเงินหาทองพอเวลาไปเที่ยวนี้มันรู้สึกสบายอกสบายใจไม่ต้องมาเครียดกับการทำงานทำการกับการเลี้ยงดูปากทองกับการหาเงินหาทองมีแต่ใช้เงินอย่างเดียวนั่นหละคือลักษณะของความสุขของการมีเทวทรัพย์มีความสุขมากกว่าการมี การมีมนุษย์สัพ์การ ม, มีการมีมนุษย์สัพ์นี่ก็ดีกว่าการมีเดรชา น, นสัพย์การกินอยู่ของมนุษย์กับการกินอยู่ของเดรฉานี่ต่างกันเดรฉานี่กินอยู่อย่างยากทุกยากลำบากแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยมีภัยรอบด้านแต่การอยู่แบบมนุษย์นี่การกินการอยู่นี่สบายกว่าเดรฉา และปลอดภัยกว่าเดราจฉานแต่ก็สู้การกินกันอยู่ของเทวทรัพย์ไม่ได้ของเทวดาไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่มากกว่าความสุขที่เราได้จากการรักษาศีล5เราก็ต้องทำบุญทำทานด้วยเวลาที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกัน ที่เป็นความสุขเดียวเดียวที่เป็นความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอเราก็เอามาเปลี่ยนเป็นเทวทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในดีกว่าด้วยการเอาไปทำบุญทำทานการทำบุญทำทานนี้จะทำกับใครได้ได้บุญเหมือนกันทำกับพระทำกับวัดก็ได้บุญทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาล ทำการองค์กรการสุสลนต่างๆสปากาชาติไทยปอเทคตึงรวมกตัญญูทำบุญกับโลงเจทำบุญกับขอทานคนทุกข์ยากไร้ทำบุญกับคนแก่คนชราได้ทั้งนั้นได้บุญเหมือนกันคือบุญก็คือทรัพย์ภายในนี้เหมือนกันที่เราอาจจะ ไม่เข้าใจก็คือบางทีเราได้ยินว่าถ้าเราอยากจะได้บุญมากเราต้องเลือกทำกับคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งที่เราจะได้เพิ่มจากบุญที่เราได้เสียสละเงินทองไปเป็นคนบุญคนละอย่างบุญชนิดนี้เรียกว่าธรรมะนั่นเองถ้าเรานอกจากต้องจะได้เทวทรัพย์แล้ว แล้วเรายังอยากจะได้บุญคือได้ธรรมะเราก็ต้องเลือกคนที่เราไปทำบุญเราต้องไปทำบุญกับคนที่มีธรรมะนั่นเองคนไหนมีธรรมะมากเราก็จะได้ธรรมะมากคนไหนมีธรรมะขั้นสูงเราก็จะได้ธรรมะขั้นสูงคนไหนที่มีธรรมะขั้นต่าเราก็จะได้ธรรมะขั้นต่าเพราะธรรมะนี่ก็คือวิชาความรู้ทางด้านจิตศาสตร์นี ทางด้านจิตใจนี้เองก็เป็นเหมือนความรู้ทางโลกที่มีแบ่งระดับเป็นปริญญาต่างๆถ้าเราอยากจะได้ความรู้ระดับปริญญาตรีเราก็ต้องไปศึกษากับคนที่มีปริญญาตรีแต่ถ้าเราอยากจะได้ความรู้ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีถ้าเราไปเรียนกับคนระดับปริญญาตรีเราก็จะไม่ได้ความรู้ระดับปริญญาที่สูงกว่าคือปริญญาโทหรือปริญญาเอก เราก็ต้องไปเลือกคนนี่คือความหมายว่าถ้าทำบุญแล้วอยากจะได้บุญคือได้ธรรมะได้ความรู้มากก็ต้องเลือกคนที่เราไปทำบุญด้วยเราก็ไปทำบุญกับพระที่มีธรรมะมากๆคนที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่มีแล้ว ก็ต้องไปทำกับพนที่รองลงมาก็คือพระอรหันตสาวกพระอรหันตสาวกนี้จะมีธรรมะมากกว่าพระอนาคาเมีพระอนาคามีก็จะมีธรรมะมากกว่าพระสกิดาคามีพระสกิดาคามีก็จะมีธรรมะมากกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันก็จะมีธรรมะมากกว่าพระผู้ที่ เข้าสมาธิเข้าฌานได้พระที่มีสมาธิเข้าฌานได้ก็จะมีธรรมะมากกว่าพระที่รักษาศีลบริสุทธิ์แต่ยังไม่มีสมาธินี่คือวิชาทางธรรมถ้าเราอยากจะได้วิชาทางธรรมพร้อมกับได้บุญได้เทวาทัพเราก็ต้องเลือกผู้ที่เขามีวิชาความรู้ที่เราต้องการจะเรียนรู้ แต่เราอยากจะเรียนรู้วิธีนั่งสมาธิก็ต้องไปทำบุญกับพระที่สอนสมาธิเป็นถ้าไปทำบุญกับพระที่มีแต่สวดให้เราฟังเราก็จะได้รู้จักวิธีสวดมนต์แต่เราจะไม่ได้รู้จักวิธีนั่งสมาธิแต่เราอยากจะได้ปัญญาเราก็ต้องไปเรียนรู้กับพระที่มีปัญญา น, นี่คือบุญอีกอย่างหนึง่ง แต่บุญที่เกิดจากการให้ข้าวของเงินทองกับคนนั่นคนนี้ให้ใครก็เหมือนกันมากน้อยอยู่ที่ปริมาณของการให้ของเราให้ร้อยบาทให้กับพระให้กับมูลนิธิให้กับโรงเรียนความสุขใจอิ่บใจเท่ากันเทวาทรัพย์ที่จะได้จากการทำบุญร้อยบาทนี้เท่ากัน ถ้าอยากจะได้มากกว่าก็ต้องทําให้มากกว่าต้องทำสองร้อยสามร้อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรือทําบ่อยๆก็ได้ทําแบบผ่อนสงก็ได้เดือนหนึ่งร้อยทุกเดือนก็ทําไปอย่างนี้มันก็จะสะสมไปในใจนั่นแหละเหมือนกับลงเหมือนกับธนาคารใจของเรานี้เป็นเหมือนธนาคารบุญ ทุกครั้งที่เราทําบุญเราก็จะมีบุญสะสมไว้ในใจของเราที่จะเพิ่มความสุขในใจของเราให้มีมากขึ้นให้มีนานขึ้นนั่นเองนะพูดอย่างนี้คงจะเข้าใจว่าการทําบุญนีนะ่มีผลสองอย่างด้วยกันผลที่เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองไปอันนี้ทํากับใครก็ได้เหมือนกัน อยู่ที่ปริมาณของการเสียสละถ้าเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยเสียสละมากก็ได้บุญมากส่วนบุญที่เราจะได้รับคือธรรมะความรู้จากผู้ที่เราไปทําบุญด้วย mm. ก็อยู่ที่ว่าเขามีธรรมะระดับไหนมีความรู้ระดับไหนที่จะมอบให้กับเราถ้าเราต้องการความรู้ต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกบุคคลที่เราไปทําบุญด้วย อยากได้ธรรมะต้องไปหาพระอริยเจ้ากันไปหาพระอรหันต์กันไปหาพระอริยรองลงมาแล้วแต่ว่าเราจะรู้จักที่ไหนมีบ้างหรือไม่มีบ้างเราก็ไปที่นั่นเพราะเวลาไปทำบุตรที่วัดของพระอริยท่านก็จะแสดงธรรมของท่านให้เราฟังกันถ้าท่านเป็นโสดาบันท่านก็จะแสดงธรรม ระดับโสดามันถ้าท่านเป็นสกิดาคามีท่านก็แสดงระดับของท่านอนาคามีท่านก็แสดงระดับของท่านอ า, หารหันท่านก็จะแสดงระดับของท่านไปอันนี้ต้องเลือกถ้าอยากจะได้ธรรมะอยากจะได้ความรู้เวลาทำบุญก็ต้องเลือกทำเลือกทำกับคนที่มีความรู้มากๆสูงสูงก็จะได้ความรู้ระดับสูงจะได้ความรู้มากๆ แต่ถ้าเราไปแล้วเราไม่ฟังธรรมเราก็จะได้เพียงอย่างเดียวเช่นบางคนก็ไปใส่บาตรกับพระอรหันต์ใส่เสร็จก็ขอกลับบ้านรีบไปทํางานไม่อยู่ฟังเทศฟังธรรมต่อก็ได้เพียงบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันแบบนั้นก็ไม่ต้องขับรถไปไกลใส่กับขอทานก็ได้ได้บุญเหมือนกัน ได้ความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเหมือนกันแต่ถ้าต้องการได้ธรรมะนี้ก็ต้องไปหาพระอรหันต์พระอริยบุคคลแล้วก็ต้องใจเย็นๆต้องรอฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนกลับบ้านไม่ใช่ใส่บาสใส่ก้ากลับบ้านเลยหรือไปทำธุระต่อถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกันไปทำกับใครก็เหมือนกันถ้าอยากจะได้ความรู้ต้องรอฟังเขาพูด รอฟังเขาพูดเรื่องต่างๆแล้วเราก็จะได้รับความรู้จากเขาต่อไปนี่คือการสร้างทรัพย์ระดับที่สองที่มีความสุขมากกว่าระดับที่หนึ่งก็คือเทวทรัพย์นอกจากนั้นยังมีอีกระดับที่สูงกว่าเทวทรัพย์ที่เรียกว่าพรหมทรัพย์เนี่ยพรหมทรัพย์นี้ก็แบ่งเป็นสองระดับ ระดับรูปประชานกับอรูปปัจจานหรือระดับรูปปภมกับอรูปปภมการที่จะได้ทรัพย์ภายในระดับนี้ต้องมีการปฏิบัติมากกว่าที่ได้จากเทวทรัพย์การได้เทวทรัพย์นี้เราใช้การรักษาศีลห้ากับการทำบุญทำทานทำมากทำน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่างๆเทวทรัพย์นี้มีหกชั้นด้วยกัน ตั้งแต่จาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมานปานิมมีอยู่หกชั้นถ้าทำมากก็จะได้ชั้นที่สูงขึ้นไปทำน้อยก็ได้ชั้นที่ต่ำอันนี้เป็นระดับของเทวซับแต่ถ้าอยากจะได้ความสุขที่เหนือกว่าเทวซับก็ต้องสร้างพรหมซมับขึ้นมา การจะสร้างพรหมสัตว์นี้ต้องเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดแล้วก็ต้องฝึกสมาธิต้องหัดเจริญสติคอยควบคุมจิตให้หยุดคิดให้ได้เพราะจิตจะเข้าฌานได้หรือไม่ได้อยู่ที่การหยุดคิดได้หรือไม่ได้ถ้าหยุดคิดไม่ได้ก็เข้าฌานไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราจะร้อย ได้เข้ารูเ <Vine> ข <gar>, ็มเนี่จะเอาได้เข้ารูเข็มได้ในมือต้องนิ่งมือทั้งสองมือต้องนิ่งมือที่ถือเข็มก็ต้องนิ่งมือที่ที่จะเอาได้ยัดเข้าไปในรูก็ต้องนิ่งถ้ามือสองมือสายไปสายมาเนี่ไม่มีทางที่จะร้อยได้เข้าไปในรูเข็มได้เหมือนกันการที่จะเอาใจเข้าสู่ชานได้นี้ก็ ใจก็ต้องนิ่งใจต้องหยุดคิดหยุดแขวงไปแขวงมาไปแข่งไปอดีตบ้างแขวงไปอนาคตบ้างแขวงไปที่นู่นแขวงไปที่นี่ถ้ามีการคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆก็แสดงว่าใจยังแข่งไปแขวงมาอยู่เดี๋ยวคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เดี๋ยวคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ถ้ามัวคิดอยู่เรื่อยๆถ้าจิตคิดก็แสดงว่าจิตยังไม่นิ่งยังแกวงไฟแขวงมาอยู่จึงต้องใช้สติเป็นตัวหยุดคิดเพราะไม่มีอะไรที่จะหยุดคิดได้นอกจากสติสติก็คือการดรูลูรู้เช่นรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หยุดได้ไั้มสั่งให้มันหยุดคิดได้ไหัหยถ้าสั่งแล้วมันไม่ยอมหยุดคิดก็แสดงว่า สติเรามีกำลังไม่พอมีกำลังน้อยไปเมื่อสติไม่พอที่จะหยุดความคิดเราก็ต้องมาสร้างสติให้มีมากขึ้นเหมือนกับเวลาเราขับรถแล้วก็วเหยียบเบรกแล้วมันไม่ยอมหยุดหรือหยุดช้าแทนที่จะหยุดตรงนี้กลับไปหยุดข้างหน้านูน่นก็แสดงว่าเบรกของเราใช้ไม่ได้แล้วไม่ปลอดภัยแล้ว สิ่งที่เราต้องทํากับเบรกก็คือต้องเข้าอู่แล้วต้องเข้าไปอู่ไปเปลี่ยนเบรกไปเสริมเบรกให้มีกําลังให้มันหยุดตรงที่เราต้องการให้มันหยุดให้ได้สติก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะหยุดความคิดแล้วมันไม่ยอมหยุดก็แสดงว่าสติเรามีกําลังไม่พอเมื่อมีกําลังไม่พอเราก็ต้องมาเสริมสติกัน วิธีเสริมสติก็คือให้เรามาควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมาฐานกรรมาฐานนี้เป็นอารมณ์ที่จะหยุดความคิดได้ที่จะเสริมสติขึ้นมาได้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่ต้องใช้ทั้งสี่สิบชนิดนเราเลือกใ ช, ช้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ถูกกับเราที่เรารู้สึกสบายเวลาใช้มัน ที่เราจะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆก็คือการใช้พุทธโธนี่เป็นการเสริมสติเพราะพุทธโธนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ว่าเป็นใครรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าและทุกคนมีศรัทธามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็มักจะใช้พุทธโธกันเป็นกรรมฐาน เราเรียกว่าพุทธโธนี่ว่าพุทธานุสตินั่นเองใช้พุทธโธใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่เจริญสติพุทธานุสติแต่เราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้อนาปันสติก็คือใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นการเสริมสติหรือใช้กายกตาสติใช้ร่างกายใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นวิธีเสริมสติขึ้นมาได้ ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมานี่ถ้าเรายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิดเรื่องที่จําเป็นต้องคิดก็อย่าปล่อยให้ใจคิดรุ่อยเปื่อยพอมันจะคิดรื่อยเปื่อยก็ใช้พุโทโธหยุดหนท่องบริกรรมพุโทโธไปภายในใจพุโทโธพุธโทโธไปในขณะที่เราเตรียมตัวที่จะไปทํางานทําการเนะีเช่นพอตื่นขึ้ น, นมา พอดูนาฬิกาพอรู้ว่าต้องรีบไปทํางานก็พุโทโธพุโทโธไปขณะที่เตรียมตัวอาบน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทธโทไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องต่างๆอย่างนี้ก็เป็นการฝึกสร้างพุโทโธสร้างสติต่อไปเราจะมีสติจะมีกําลัง ที่จะดึงใจให้เข้าไปในฌานขั้นต่างๆได้ถ้าเราไม่ใช้พุทโธเราจะใช้ร่างกายก็ได้ให้เราเฝ้าดูร่างกายดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังยืนกาลังเดินกำลังนั่งกาลังนอนก็รู้ว่ากำลังยืนกาลังเดินกำลังนั่งกาลังนอนกำลังอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับร่างกายกำลังล้างหน้าแปรงฟันก็ นั่งหน้ า, นาแปลงฟันไปกับร่างกายทำควบคู่ไปกับร่างกายคิดควบคู่ไปกับร่างกายอย่าไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องที่ร่างกายกำลังทำอยู่กำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็คิดอยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวกำลัง listener, รับ Grab. ประทานอานここ um. หารก็คิดอยู่กับการรับประทานอาหารกำลังตักข้าวเข้าปากกำลังเคี้ยวกำลังกินก็ให้ใจอยู่กับการกระทาต่างๆเหล่านี้ของร่างกาย แล้วใจจะมีสติมากใจจะนิ่งใจจะไม่วักแวกใจจะไม่หนีไปอดีตจะไม่หนีไปอนาคตใจจะอยู่ในปัจจุบันเราต้องดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้ได้ใจถึงจะนิ่งใจถึงจะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ถ้าเข้าสู่ระดับรูปฌานได้ก็จะได้รูปทรับเป็นทรับภายใน ทรัพย์ภายในนะดับพรมทรัพย์นี้เป็นความสุขมากกว่าทรัพย์ของเทวทรัพย์เทวทรัพย์นี้เป็นความสุขที่ต่ำกว่าที่น้อยกว่าที่เบากว่าความสุขที่ได้จากพรมทรัพย์พรมทรัพย์ก็มีสองระดับคือระดับรูปฌานกับอรูปฌานการที่จะได้ฌานขั้นต่างๆก็อยู่ที่กําลังของสติ ถ้ามีสติมากก็จะได้ฌานลึกเข้าไปมากขึ้นถ้ามีสติน้อยก็ได้ฌานที่ไม่ลึกรูปฌปานนี้ไม่ลึกเท่ากับอารูปฌปานสงบไม่เท่ากับอารูปฌปาน จ, จะสงบมากสงบน้อยก็อยู่ที่กำลังของสติถ้ามีสติมีกำลังมากก็จะสงบได้มากได้นานผู้ปฏิบัติพวกฤาษีนี่บางทีเขาเข้าฌานที เวันบ้างสิบวันบ้างสิบห้าวันบ้างเพราะพลังของสติเขามีมากสามารถควบคุมใจให้นิ่งเวลาใจนิ่งสงบในชานนี้เหมือนเวลาผ่านไปแค่นาทีสองนาทีออกมาถึงจะรู้ว่าอ๋อผ่านไปแล้วห้าวันเจ็ดวันพะเวลาอยู่ในชานนี้จะไม่รู้สึกว่ามีเวลาเลยจะเหมือนลอยอยู่ในอวากาศ ว่าไม่มีอะไรมาให้รับรู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรก็เลยรู้สึกว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งๆที่ความจริงอาจจะผ่านไปแล้วเจ็ดวันสิบห้าวันนี่คือความละเอียดความสงบของจิตในระดับรูปฌปานกับอรูปฌานที่ให้ความสุขมากกว่าความสุขของเทพัพุตรหรือของมนุษย์สัพญ์บุ ผู้ที่ต้องการพรหมซาบนี้จําเป็นที่จะต้องอถือศีลแปดแล้วก็ฝึกสติพอมีสติก็ต้องหมั่นนั่งสมาธิเวลามีสติแล้วก็ต้องนั่งสมาธิต่อตอนต้นก็ฝึกสติไปก่อนด้วยการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดด้วยการใช้ร่างกายเป็นตัวผูกใจไว้หรือใช้พุทโธเป็นตัวผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ พอใจไม่ลอยไปลอยมาตั้งอยู่ในปัจจุบันก็ไปนั่งสมาธิต่อนั่งหลับตาแล้วก็จะใช้พุทธโธต่อก็ได้ถ้าใช้ร่างกายก็ต้องใช้ลมหายใจของร่างกายดูลมหายใจของร่างกายไปอันนี้ก็เรียกว่าอานาปณสติอานาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกสติแปบลบว่าการละเลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออก ก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกอย่าไปคิดเรื่องอื่นลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกให้รู้อยู่ที่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกมาถ้าตามเข้าตามออกใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบใจยังทำงานอยู่ต้องให้ใจนิ่งด้วยการดูอยู่เฉยๆเพียงจุดเดียวก็มีได้ดูได้สองจุดด้วยกันดูที่ปลายจมูก เวลาลมเข้าออกจะสัมผัสจะรู้ว่ามีสัมผัสตรงแถวปลายจมูกหรือจะอยากจะรู้อีกจุดหนึ่งที่เห็นว่าลมเข้าลมออกก็คือที่กลางอกเนเวลาลมเข้ามันก็จะพองออกมาเวลาลมออกมันก็จะยุบเข้าไปนี่ที่มาของการใช้คำว่ายุบหนอพองหนอไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องพูดว่ายุบหนอพองหนอะ ดูเฉยๆรู้ว่ายุบรู้ว่าพองหรือดูที่ปลายจมูกก็ให้รู้ว่าเข้าหรือรู้ว่าออกไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆห้ามคิดหยุดคิดถ้าดูไปคิดไปก็ไม่สงบต้องดูอย่างเดียวไม่คิดอะไรแล้วใจจะค่อยๆสงบไปเหมือนกับรถที่ค่อยๆลดความเร็วลง ค่อยๆชะลอความเร็วลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หยุดนิ่งสงบจิดก็เหมือนกันถ้าดูลงไปมันก็จะค่อยๆสงบไปเป็นขั้นๆสงบทีละขั้นทีละตอนไปแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะนิ่งแล้วก็จะสบายมีความสุขมีอุเบกขาใจวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงแม้ว่าบางทียังได้รับความรู้สึกผ่านทางร่างกายแต่จะไม่มีความปฏิกิริยากับสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจที่สงบมีอุเบกขาแล้วจะไม่เดือดร้อนจะเฉยเฉยกับมันได้จะเฉยเฉยกับความเจ็บจะเฉยเฉยกับเสียงอะไรต่างๆ หรือถ้าบางทีถ้าเข้าไปสงบมากกว่านั้นก็จะไม่รับรู้อะไรผ่านทางร่างกายเลยก็จะเหลือแต่จิตรวนๆเหลือแต่ผู้รู้รวนๆอยู่ตามลำพังอันนี้แหละเรียกว่าการเข้าสมาธิเข้าฌานต้องอาศัยกำลังของสติดึงเข้าไปถ้านั่งแบบไม่มีสตินี้จะไม่เข้าไปสู่ความสงบแล้วจะอาจไป เห็นหนู่นเห็นนี่ที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งของจิตเองมาหลอกตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวบางทีนั่งไปไม่มีสติควบคุมเดี๋ยวจิตก็จะผลิตความรู้สึกแปลกๆอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเสียงอะไรที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้านั่งแบบนี้อาจจะทำให้เสียสติได้เพราะว่าจิตนี้มันเป็นของที่มัน หลอกเราได้เก่งมันจะหลอกเราให้เราหลงว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาได้การนั่งนี้ไม่ต้องการที่จะเห็นอะไรไม่ต้องการที่จะดูอะไรนอกจากต้องการให้จิตสงบเพียงอย่างเดียวต้องการความสุขที่ได้จากความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนี่นะคือความสุขของพรหมซา์ เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่เป็นความสุขที่ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่คือไม่เที่ยงยังไม่ถาวรความสุขแบบนี้ขึ้นอยู่กับกำลังของสติสตินี้ก็ไม่เที่ยงยังไม่ถาวรพอสติอ่อนกำลังลงความสุขความสงบก็จะอ่อนก็จะน้อยลงไปจะลดน้อยถอยลงไปแล้วเดี๋ยว จิต ก, ก็จะเสื่อมลงมาจากระดับพรหมมาสู่ระดับเทพต่อไปความสุขระดับเทพก็จะหมดได้หลังจากที่ได้ได้ใช้บุญที่ส่งไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพพอบุญที่ได้ใช้หมดไปก็ต้องเนื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ทรัพย์ภายในระดับนี้เราเรียกว่าโลกิยาทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรัก ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าอยากจะได้ซับภายในแบบที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเพิ่มระดับของการปฏิบัติเพิ่มอีกระดับหนึ่งเรียกว่าระดับปัญญาหรือระดับวิปัสสนานอกจากรักษาศีลแปดได้นั่งสมาธิเข้าฌานได้แล้วเวลาออกจากสมาธิก็ต้องมาใช้มาศึกษามาหาความรู้ ที่เรียกว่าปัญญาที่จะสอนให้ใจรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิให้อยู่ต่อไปไม่ให้เสื่อมเอถ้ามีปัญญาก็จะได้เรียนรู้ว่าเหตุที่ทําให้สมาธิเสื่อมเวลาออกจากสมาธิมาก็คือความอยากต่างๆพออยากกินกาแฟนใจก็เริ่มกระเพิ่มนะพออยากจะกินขนมใจก็กระเพิ่มขึ้นมะ ถ้าอยากจะให้ใจสงบต่อไม่กระเพื่อมก็ต้องอย่ากำจัดความอยากกินอยากดื่มอะไรต่างๆถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะกินที่จะดื่มก็อย่าไปกินอย่าไปกินไปดื่มตามความอยากแต่กินดื่มตามความต้องการของร่างกายนี้ทำได้แต่ต้องทำแบบมีมีกฎมีกติกาเหมือน ก, กินยากินยานี้จะไปกินแบบพุ่าเพื่อกินตามความอยากไม่ได้มันกลับเป็นโทษ ต้องกินตามหมอสั่งหมอสั่งให้กินยาวันรักษาเวลาก็ต้องกินตามที่หมอสั่งร่างกายของเราพระพุทธเจ้าก็สั่งให้เรากินกันวันละครั้งก็พอกินเดื่มกันวันละครั้งส่วนเดื่มน้ํานี้เดือมได้ตามความต้องการหิวน้ำเมื่อไหร่ก็เดือมน้ําเปล่าได้แต่อย่าไปเดื่มน้ําที่มีสีมีกลิ่นมีรสเช่นน้ําชากาแฟอะไรพวกนี้ เพราะว่าถือว่าเป็นความอยากมันมีรสอยากในรสของน้ําชากาแฟอันนี้ไม่ได้กินด้วยความต้องการของเดิมด้วยความต้องการของร่างกายเดิมด้วยความอยากเด่มแบบนี้ไม่ได้เพราะจะทำให้ใจความสงบเสื่อมหายไปอันนี้คือปัญญาจะให้รู้ว่าถ้าอยากจะให้ใจสงบต่อไปต้องคอยกำจัดความอยาก ที่โผล่ขึ้นมาในใจและการที่จะกำจัดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นมันไม่ดีมันเป็นทุกข์มากกว่ามันเป็นสุขเพราะความสุขที่ได้จากทำตามความอยากมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแล้วพอถ้าถึงเวลาที่ไม่สามารถทาตามความอยากได้ทีนี้ความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาแทน ให้เห็นโทษของความอยากหเห็นว่าสิ่งที่ได้ความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะต้องนำไปสู่ความทุกข์เวลามันหมดไปหรือเวลาอยากได้ใหม่แล้วไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปก็จะไม่อยากทำตามความอยากอยู่เฉยๆอยู่กับสติอยู่กับความสงบดีกว่ากลับมาดูลมหายใจกลับมาพุทโธดีกว่าเดี๋ยวพอหยุดคิด ความอยากก็หายไปถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดกำลังไปในที่สุดแล้วต่อไปจะไม่มีอะไรมาทำลายความอยากทำลายความสงบที่ได้จากการเจริญสติจากการเข้าฌานอันนี้เรียกว่าระดับของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์นี้ท่านคอยตัดความอยากต่างๆ พระโสดาบันก็ตัดได้บางส่วนพระอนิกขนะนาพระสกิดาอานาก็ตัดเพิ่มมากขึ้นไปพอถึงขั้นพาาาระอรหันต์ก็ตัดได้หมดเลยความอยากทุกชนิดที่มีอยู่ในใจเราไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจจิตก็จะสงบแบบถาวรจิตที่สงบแบบถาวรนี้ท่านก็เรียกว่านิพานังบาลมังสุขขังจิตที่เป็นนิพานนี้มีบรมมสุขเป็นที่อยู่ นี่คืออริยทรัพย์หรือโลกุตตะทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ได้แล้วจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับทรัพย์ของโลกียทรัพย์คือพับทรัพย์ของพรหมทรัพย์ของเทวทรัพย์ของมนุษยทรัพย์หรืออบายทรัพย์ก็มีวันเสื่อมทําบาปแล้วก็ไปรับผลบาปเดี๋ยวบาปที่ไป ไปใช้หมดก็กลับมารับมนุษย์สัญญาับใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้ทรั์ของอริยรัย์แล้วนี้จะไม่มีวันเสื่อมลงมาอีกต่อไปจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่เต็มร้อยก็ยังกลับมาเกิดอยู่แต่ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นโสดาบันก็จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์นยิเทวดาไม่เกินเจ็ดชาติถ้า ระดับของสกิดาคามีก็ไม่เกินหนึ่งชาติถ้าพระอนาคามีก็ไม่เกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาแต่จะไปเกิดในภพของพรหมแต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไม่กลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจะมีนิพพานนะรับเป็นที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ให้ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด นี่แหะคือทรัพย์ภายในต่างๆที่พระพุทธเจ้าสงสารให้ชาวพุทธเรามาหากันอย่าหลงไหลหาแต่เพียงแต่ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็หาตามเหตุตามผลตามความต้องการของร่างกายก็พอเมื่อมีทรัพย์ภายนอกพอเพียงแล้วก็ควรจะเอาเวลามาหาทรัพย์ภายในดีกว่าเพราะเวลาเรามีน้อยลงไปเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไป ชีวิตเราจะสั้นลงสั้นลงไปได้เรื่อยเรากำลังถูกงูใหญ่คือเวลากินกินก็ไปทีละเล็กทีละน้อยดังนั้นเราต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้อยู่เฉยเฉยโดยไม่ได้มาสร้างทรัพย์ภายในกันวิธีที่จะทาให้เราไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปก็ต้องหมั่นถามตัวเองอยู่เรื่อยเรื่อยทุกครั้งที่เราดูนาฬิกา ให้วันเวลาผ่านไปผ่านไปเมื่อกี้เที่ยงเดี๋ยวนี้บ่ายสองเมื่อกี้บ่ายสองเดี๋ยวนี้บ่ายสามวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังหาทรัพย์ภายในหรือกำลังหาทรัพย์ภายนอกอยู่ทรัพย์ภายนอกพอหรือยังถ้าพอแล้วมาหาทรัพย์ภายในกันถ้าทรัพย์ภายนอกยังไม่พอก็หาทรัพย์ภายนอกไปก่อนแล้วก็มาหาทรัพย์ภายในต่อไป ถ้าทําอย่างนี้เราก็จะใช้เวลาให้เกิด ค, คุณเกิดประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราเราจะมีทรัพย์ภายในสะสมไปมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเราร่างกายตายไปเราก็จะได้อาศัยทรัพย์ภายในยนี้พาเราไปอยู่ตามสถานที่ที่มีความสุขระดับต่างๆต่อไปนี่แหละคือเรื่องของ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาหาของแท้ของจริงกันคือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกเป็นของปลอมเป็นของชั่วข่าวแต่ทรัพย์ภายในนี้จะเป็นของถาวรที่เราจะสามารถเก็บรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดจึงขอให้ท่านจงนำเอาไปพิเิตพิจารณาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวารลวหาปูราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปปักปติอ an ิทิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุส ah ังกะปาจันโทปนาวะโสยะถามณิโชติ อราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตรายูสุขีธิกายุโกภวาภิวาธนาสีลิธานิจจังมุธาปจายโนจตารโอธรมมวทานติ อายุวันโสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้จาก f a c e b o o สาม8้อยเก้าสิบแปดทูสามรอยี่สิบสามวิีอออนไลน์ยี่สิบปดผู้รับฟังบนเขาสามสิบเก้ารวมเจ็ดร้อยแปดสิบแปดท่านค่ะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามคิดถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้ถ้ายังไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าที่นี่ยังไม่มีคำถามก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อน มีคําถามจากผู้รับฟังบนข่าวค่ะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมอยากทราบว่าการที่บุคคล น, นั้นมีอายุยืนยาวจะเรียกว่าดีหรือไม่เพราะถ้าเราอายุยืนนั่นก็แสดงว่าเรามีกรรมที่จะต้องชดใช้นานหรือไม่คะก็อยู่ว่าเราอยู่แบบมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าอยู่แบบมีความสุขอายุยาวมันก็ดีมันก็สุขยาว ถ้าอยู่แบบมีความทุกข์มันก็ไม่ดีมันก็ทุกข์ยาวอยู่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอไปโรงพยาบาลกันอยู่ตั้งแต่เกิดมาเข้าออกแต่โรงพยาบาล น, นี้มันอายุยาวมันก็แบบนี้มันก็ไม่ดีแต่ถ้าออกมาแล้วมีแต่ความสุขตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันตายอย่างนี้ก็ดีแต่การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่เป็นการม า, มารับ ผลบุญผลบาปมาสร้างบุญสร้างบาปมากกว่าเพราะมนุษย์นี้เป็นภพที่ต่างจากภพอื่นๆภพอื่นๆนี้เป็นภพที่ไปรับผลบุญผลบาปพอไปเป็นเทวดาช่วงนั้นก็จะรับแต่ผลบุญอย่างเดียวไม่มีเวลาทำบุญต่อเพิ่มเวลาไปเป็นพรหมก็ไม่มีเวลาไปสร้างสติเพิ่มก็รับผลบุญที่ได้ทำไว้ตอนที่เป็นมนุษย์ เวลาไปเป็นเปรตไปตกนรกก็เหมือนกันไม่มีเวลาไปทําบุญเพื่อมาลบล้างบาปแต่อย่างใดเวลานั้นมีแต่รับผลบาปไปเพียงอย่างเดียวพอผลบุญผลบาปมันมีหมดกําลังที่จะดึงให้ไปทางบุญหรือทางบาปก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาสร้างบุญสร้างบาปเป็นหลักและก็อาจจะมีวิบากของเก่าที่ ยังตกค้างอยู่มาสแสดงผลต่อบางคนมีบุญมากบุญก็ยังติดตามมารับใช้ต่อมาเกิดเป็นคนรวยเกิดมาเป็นคนมีความสุขบางคนเกิดมายากจนทุกข์ยากลำบากเกิดมามีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่เล่าอันนี้ก็เรียกว่าวิบากกรรมยังยังมาตอบสนองได้ในขณะที่มาเป็นมนุษย์ เพระนี่ภพของมนุษย์นี้จะเป็นพบที่สร้างบุญสร้างบาปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีสะเก็ดของบุญหรือบาปที่มาคอยมาให้ผลต่อไปบางวันก็ซ่อมหลนถูกหวยก็<笑><笑>เรียกว่าอันนี้สงผลบุญมันมาบางวันก็อยู่ดีๆก็ถูกเ้าด่าตรงนี้ก็เรียกวาอันนี้สงของผลบาปกลับมาล้างแค้นเรา ต้องยินดีกับมันอย่าไปทุกข์อย่าไปเดือดร้อนกับมันให้เราคิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของเราจะทำกรรมมันได้ไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วใจได้สบายใจส่วนใหญ่เรามันมักเห็นแก่ตัวอยากจะได้แต่ผลบุญแต่ไม่ยอมรับผลบาปแต่เวลาทำบาปไม่เคยคิดว่าต่อไปจะต้องมีผลบาปตามมากัน พอตามมาก็โวยวายอย่างนี้วุ่นวายทุกใจไปเป่าๆยายินดีรับกับผลทั้งสองอย่างเถิดเพราะเราทำมาทั้งสองอย่างถ้าตาบใดเรายังไม่เป็นพระอรหันต์นี่เรายังทำทั้งสองอย่างถ้าเรายังไม่เป็นพระอริยบุคคล น, นี่เรายังทำบาปทำบุญกันอยู่มีพระอริยบุคคล น, นั่นที่จะไม่ทำบาปอีกต่อไป คำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะมานะทิฐิจะทําอย่างไรให้เราสามารถลดละไปได้ให้เรามีสัมมาทิฐิจริงๆเจ้าค่ะอ๋อก็ต้องอศึกษาความจริงว่าเราเป็นอะไรนะตามหลักพระพุทธศาสนาเราเป็นจิตใจจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองจิตใจไม่มีตําแหน่งไม่มียศไม่มีไม่เป็นกษัตริย์ไม่เป็นขอทานะ จิตใจของขอทานจิตใจของกษัตริย์ก็เป็นจิตใจเหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันเหมือนถนนนี่ถนนนี่ก็ใช้กษัตริย์ก็ใช้ถนนอันนี้ใช่ไหมขอทานก็ใช้ถนนอันนี้เดินถนนนี้ไม่ได้เป็นของกษัตริย์หรือของขอทานจันได้ผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์หรือเป็นขอทานไม่ได้เป็นอะไรเป็นผู้รู้ผู้คิด แต่ความหลงมันมาหลอกให้คิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาหลว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตโดยอาศัยสมมุติของโลกมาเป็นตัวหลอกเราพอมาเกิดมีรูปร่างมีรูปเป็นเป็นลูกของกษัตริย์ก็เลยมาหลอกเราว่าเราเป็นเจ้าชายเจ้าฟ้านะถ้ามาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็เป็นอาเสียแล้วใช่ไมอันนี้มันถูกสมมุติหลอก มาเกิดในครอบครัวไหนแล้วก็ได้สมมุติอันนั้นก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นไปถ้าศึกษาที่ความจริงแล้วก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนเดิมสมมุตินี้เป็นเพียงแต่สิ่งที่ผู้รู้ผู้คิดมาสวมใส่เหมือนหัวโขนเท่านั้นเองให้จำไว้อย่างนี้ว่าทุกอย่างที่เราเป็นอยู่นี้เป็นหัวโขนไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงของเรานะตัวจริงเสียงจริงของเราคือผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเอง ที่มีเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นสวมหัวโขนชนิดไหนก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันหมดสวมหัวโขนของขอทานสวมหัวโขนของพระเจ้าแผ่นดินมันก็เป็นหัวโขนเท่านั้นเองตัวจริงแท้จริงนี้คือผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันหมดให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงกับการถือตัวว่าโอ้ยเราเป็นลูกคนรวยเราเป็นด็อกเตอร์ เป็นหมาด็อกเตอร์ก็เป็นหมาเนนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสมมุติเนี่ยเป็นหัวโขนเนีที่เราเมื่อเอามาสวมใส่เอี่ยเท่านั้นเองแต่ตัวจริงเสียงจริงตัวแท้ของเรานี่เหมือนกันทุกคนเป็นพวกมีใครไม่คิดบ้างมีใครไม่รู้บ้างนั่นแหละตัวนั่นนหละคือตัวแท้ตัวจริงที่ไม่ได้ตายไปกับหัวโขน หัวคอนี่เวลาตายไปมันหายไปหมดใช่ไหมเหลือแต่ตัวรู้ตัวคิดที่ไปเอโลกนี้เขท่าน เ, เปรียบเทียบวไวปเหมือนโรงละครไงจิตใจเป็นเหมือนตัวเล่นละครพอมาเล่นละครเขาก็เอาหัวขอนมาใส่ให้แล้วเออมึงเล่นบทนี้นะไปเป็นหมานะไปเป็นแมวนะอไปเป็นผู้หญิงไปเป็นผู้ชายไปเป็นอะไรร้อยแปดความจริงมันไม่ใช่เป็นตัวจริงตัวของเรา เป็นตัวสมมุติเป็นหัวโขนเท่านั้นเองถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็จะไม่หลงถ้ายังหลงอยู่ก็ต้องก็ต้องใช้มาต ร, าตรการแก้พระพุทธเจ้าบอกฉะนั้นก็เอาหัวโขนแบบต่ำสุดมาสวมใส่หัวแทนถึงแม้สมมติก็จะให้เราเป็นลูกเศรษฐีเราก็ต้องคิดว่าเราเป็นแค่ยาจบเราเป็นเหมือนขอทานเราเป็นปัตตภีให้คิดว่าเราเป็นเหมือนปัตตภี เป็นสิ่งที่ต่ำที่สุดที่ใครจะเหยียบจะย่าก็ได้ไม่เดือดร้อนถ้าเป็นปัตตพีแล้วไม่ไม่เดือดร้อนใครจะขี่จะเยี่ยวใส่ปัตตพีก็ไม่เดือดร้อนใครจะขุดดินขึ้นมาปัตตพีมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะทำอะไรกับปัตตพีปัตตพีไม่เดือดร้อนนี่แหละคือวิธีแก้มนณะทิฏฐิความถือตัวเพราะไม่มีปัญญานั่นเอง ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าเป็นเพียงหัวโขนเท่านั้นเองเป็นตัวละครพวกเรานี่เป็นตัวละครเนี่ยมาเกิดมาเล่นบทต่างๆกันคนหนึ่งเป็นหมอคนหนึ่งเป็นผู้จัดการเป็นคนหนึ่งเป็นพระคนหนึ่งเป็นอะไรต่างๆเป็นหัวโขนทั้งนั้นเดี๋ยวตายไปก็ทิ้งหมดทิ้งหัวโขนไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวคิดไปทีนี้เอาของจริงไปสิไปเป็นไปเป็นหัวโขนอีกแบบหนึ่ง ถ้าก็มีมนุษย์ยศัพย์ก็ไปเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ามีเทวาศัพย์ก็ไปเป็นเทวาศัพย์แต่พวกนี้เดี๋ยวก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มาเมืหัวโขนใหม่มาเล่นละครกันใหม่จะไม่กลับมาเล่นก็ต้องไปนิพพานเท่านั้นต้องไปเป็นพระอรหันต์เท่ า, า, า น, ทนั้นต้องสิ้นกิเลสต้องหยุดความโลภโกรธหลงหยุดความอยากต่างๆไม่ให้มีอยู่ในใจได้เท่านั้นจึงจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเล่นละครอยู่ได้เรื่อยๆ คำถามจากคุณทริชาขณะนี้คุณแม่ท่านใกล้จะเสียแล้วและไม่รู้สึกตัวมีอะไรที่หนูทำแล้วจะให้ท่านสบายใจได้ไหมคะขณะนี้ได้แต่เปิดธรรมมาให้ฟังแล้วพูดคุยกับท่านบอกท่านว่าไม่มีอะไรน่าห่วงมีอะไรที่หนูสามารถทำได้มากกว่านี้ไหมคะถ้าท่านไม่รับรู้ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าท่านรับรู้ก็บอกท่านว่าร่างกายของแม่เป็นหัวโขนนะเป็นตุ๊กตา ตัวแม่ไม่ได้เป็นร่างกายนี้ตัวแม่เป็นผู้รู้ผู้คิดอย่าไปยึดไปติดอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงร่างกายนี้มันเป็นตุ๊กตาที่เราอย่าต้องทิ้งมันไปเพราะมันหมดสภาพใช้ไม่ได้แล้วถ้าไปยึดไปติดมันจะมันจะห่วงจะห่วงจะกลัวแต่ถ้าไม่ยึดไม่ติดหรือว่าไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราก็เหมือนกับ ของชิ้นหนึ่งท้งนั้นเองเมื่อใช้ไม่ได้ก็โยนใส่ถังขยะไปแลื่ร่างกายมันไม่หายใจก็ยกให้วัดไปยกให้สับปเปลือไปเพื่อจะได้ไปกําจัดไปรีไซเคิลการไปวัดก็ไปรีไซเคิลร่างกายนี่แหละไปแยกธาตุแยกร่างกายที่มีธาตุสีดินน้ําลมไฟมารวมกันให้มันแยกออกจากกันพอไฟเผาธาตุน้ําที่เหลืออยู่ในร่างกายก็ละเหยขึ้นไปเป็น กลายเป็นเมฆเป็นอะไรไปส่วนที่เป็นธาตุดินก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปธาตุไฟก็ดับไปธาตุลมก็หมดไปตั้งแต่ยังตั้งแต่ตายไปใหม่ๆก็เหลืออยู่สองธาตุที่เขาไปแยกเวลาไปเมนแยกธาตุดินออกจากธาตุน้ํเทานั้นเอง <c oughs> คําถามจากคุณเอกกระผมนั่งสมาธิทุกวันในช่วงเช้าและช่วงก่อนนอน แล้วมีอยู่เช้าวันที่15กรกฎาคมนี้เกิดมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่หน้าอกแล้วรู้สึกว่าตัวเบาไม่รู้สึกปวดเมื่อยกระผมก็ตั้งสติรับรู้ว่าเกิดอาการเบาเกิดขึ้นอาการดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ20นาทีอยากจะรบกวนสอบถามพระอาจารย์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการของปิติหรือว่าเป็นอาการของสังขารมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งขึ้นมาครับหรือว่าอาการอย่างอื่น อาการของความสงบจิตสงบมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจว่ามันมีชื่ออะไรเจอตัวแล้วไม่ต้องไปถามชื่อถ้ายังไม่เจอตัวต้องใช้ชื่อถามก่อนว่านายคนนี้ชื่อนี้อยู่ตรงไหนพอไปเจอตัวแล้วจับตัวมันมาเลยไม่ต้องไปสนใจพอรู้ว่ามันเป็นตัวที่เราต้องการแล้วก็จับมันมาเลยนั่งสมาธิก็ต้องการความสงบความสุข ความเบาใจสบายใจพอเจอมนแล้วก็จับมันไว้เลยไม่ต้องไปถามว่ามึงชื่ออะไรบางคนอยากจะรู้ตอนนี้เป็นคณิกะหรืออปนาหรืออุปจารนะไปรู้มันทําไมรู้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรส่วนรู้วิธีจะทําไงให้มันอยู่กับเราไปนานๆดีกว่าก็ต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดอยู่อย่าให้มันคิดเดี๋ยวคิดแล้วเดี๋ยวมันไอตัวนี้มันจะหายไป พอถ้าไม่คิดไอ้ตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเอาอย่างนี้ดีกว่ารู้อย่างนี้ดีกว่ารู้ว่าทำงานให้ตัวนี้มันอยู่กับเราไปนานๆอยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรู้ว่าเป็นอาการของปิติเป็นอาการของอะไรทั้งหลายถ้ามันดีมันให้ความสุขกับเราควา ม, มันไว้เก็บมันไว้ให้รู้จักวิธีรักษามันวิธีรักษาก็ค่อมีสติคอยควบคุมความคิดนั้นอย่าให้มันคิดที่มันเปิดขึ้นมาก็เพราะเราหยุดคิด ถ้าเราเริ่มคิดเดี๋ยวมันก็หายไปให้รู้ท่านี้พอแนละ้วไม่ต้องไปรู้ชื่อรู้เสียงรู้นามอะไรของมันไม่เกิดประโยชน์คำถามจากคุณลูกโปง่งที่พระอาจารย์แนะนำว่าให้ฝึกสติด้วยพุโทโธพุธโทโธแล้วเราสามารถฝึกปัญญาด้วยอะไรคะอ๋อนั่นอีกเรื่องหนึ่งยังไม่ทันยืนเลยอย่าเพิ่งไปสนใจวิธีเดินหรือวิ่งนะอาจยืนให้ได้ก่อนนะ ปัญญาคือขั้นต่อไปหลังจากที่ยืนได้แล้วก็หัดเดินหัดวิ่งถ้าได้สมาธิแล้วชำนาญในการเข้าออกสมาธิสามารถมีสมาธิได้ทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิแล้วทีนี้ค่อยมาฝึกปัญญาการฝึกปัญญาก็เป็นเหมือนการไปเรียนหนังสือนี่เองไปโรงเรียนไปเรียนวิชาธรรมที่ไม่มีสอนในทางโลก วิชาธรรมนี้ให้เราเรียนอะไรก็สามวิชาให้เรียนรู้ว่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าของที่สวยงามก็รู้ว่ามันไม่ใช่สวยงามเช่นร่างกายคนที่เราหลงไหลคิดว่าน่าดูหน้าชมนี่มันก็ไม่น่าหน่าดูหน้าชมเราไม่ไปดูในส่วนที่มันไม่น่าดูหน้าชมกันเองใช่ไหม ไม่ไปดูโครงกระดูกกันไม่ไปดูปอดตับหัวใจลำไส้กันหรือว่าอาหารที่เราหน้ากินมันก็เหมือนกันเราไปมองในส่วนในส่วนที่มันหน้ากินไอส่วนที่ไม่หนากินไม่ยอมมองกันใช่ไเวลาถ่ายออกมานี้ไม่ยอมมีใครมองอาหารนั่นนะนั่นเรียกว่าอาหารเก่าอาหารที่อยู่ในจานเรียกว่าอาหารใหม่อาหารที่อยู่ในซุ้มเรียกว่าอาหารเก่ามันก็เป็นอาหารเหมือนกันนี่คือปัญญา ถ้าอยากจะมีปัญญาต้องมองอีกด้านหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งเขาเรียกวมองมุมกลับมือนถึงจะสวนมันถึงจะฆ่ากิเลสได้ถ้ามองมุมของกิเลสก็ถูกกิเลสคว้าไปกินหมดถ้าอยากจะฆ่ากิเลสก็ต้องมองมุมมุมกลับกิเลสว่าสุขก็ต้องมองให้เห็นว่ามันทุกข์กิเลสว่าเที่ยงเราก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงกิเลสว่าเป็นของเราเราก็ต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเรากิเลสว่าสวยเราก็ต้องเห็นว่ามันไม่สวย กิเลสมันว่าน่ากินก็ต้องบอกว่ามันไม่น่ากินอย่างนี้แล้วกิเลสมันจะหายไปหมดกิเลสมันจะหนีไปหมดนี่คือปัญญาปัญญามีไว้เพื่อระ ง, งับดับกิเลสพอไม่มีกิเลสแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปไม่มีอะไรมาหลอกให้ใจมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือขั้นปัญญ า, าต้องผ่านขั้นสติขั้นสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะผมสงสัยว่าที่พระท่านว่าถึงเราจะไปวัดกราบครูบาอาจารย์มาหลายรูปแต่ถ้าไม่นำหลักคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติเราก็ยังห่างไกลาจากตัวท่านหมายความว่ายอย่างไรครับก็ตัวท่านก็คือความรู้วิชาวความรู้ที่เราไปหาพระอริยผาปุตตะเจ้านี้เราไม่ได้ไปหารูปร่างของท่านเราไปหาความรู้หาธรรมะคาสั่งคาสอน เมื่อไปแล้วท่านเทศก็ไม่ฟังไม่นำเอาไปปฏิบัติธรรมะที่ท่านมอบให้กับเราก็ไม่เข้าไปในใจเราเมื่อไม่ไม่ได้เข้าไปในใจก็ไม่ได้ธรรมะไม่ได้ครูบาอาจารย์เข้าไปในใจของเราตัวครูบาอาจารย์ที่แท้จริงก็คือตัวธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ที่ต้องการจะเห็นเราต้องเห็นธรรมธรรมที่เราสอน แต่เห็นธรรมที่เราสอนได้ต้องฟังฟังแล้วน้อมเอาเขาดึงเข้าไปในใจด้วยการปฏิบัติตามที่เราสอนอย่างที่ทรงตัดว่าถึงแม้เธอจะนั่งเกาะชายผ้าเหลืองเราแต่เธอนั่งแบบไม่มีสติไม่มีสตังไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ไปปฏิบัติธรรมเธอก็อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยน์แต่ถ้าเธออยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยตแต่เธอเอาคําสั่งคําสอนของเราไปปฏิบัติ ไปน้อมดึงเอาธรรมเข้าไปในใจเธอก็อยู่เหมือนกับเกาะชายภาคเหลืองของเราคำถามจากคุณพิมพรตอนนั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาหนูจะใช้คำว่าอิติปิโสก่อนให้ใจสงบแล้วหนูใช้คำว่าพุทโธแล้วจิตสงบค่ะไม่มีความคิดปรงแต่งกราบเรียนถามว่าหนูปฏิบัติ ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะต้องเพิ่มเติมอะไรมากกว่านี้ไหมเจ้าคะก็นั่งให้มันนานให้มันสงบให้นานด้วยการนั่งบ่อยๆด้วยการฝึกสติบ่อยๆเวลาที่ไม่ได้นั่งก็ต้องคอยหมั่นพุทโธหมือนอิติปิโสไปเรื่อยๆแล้วพอเวลานั่งมันจะได้สงบง่ายสงบเร็วและสงบได้นานทำมันจนทั้งเราสามารถสั่งได้เหมือนอาหารตามสั่งอยากจะให้สงบเมื่อไหร่ก็สงบได้ทันที นั่งหลับตาปั๊บห้านาทีก็นิ่งก็สงบอย่างนี้แล้วถึงค่อยไปฝึกปัญญาต่อไปคำถามจากคุณศักชัยขอน้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์แม่ของผมท่านเสียชีวิตไปแล้วยี่สิบแปดปีผมไม่เคยฝันเห็นท่านเลยผมทำบุญใส่บาทและสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบุญให้ท่านทุกวันแต่เมื่อคืนวันที่สิบสี่กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ ผมได้ฝันเห็นท่านได้คุยกันผมดีใจมากอยากเรียนถามว่าเกิดจากบุญ ท, ที่ผมสะสมให้กับท่านใช่หรือเปล่าครับไม่หรอกความฝันก็คือความคิดของเรานั่นเองมันดีก็ดีเราคิดถึงท่านเราก็ฝันขึ้นมาเป็นฝันขึ้นมาในใจเราฝันฝันนี้มีสองแบบฝันแบบเกิดจากความคิดของเราและฝันที่เกิดจากตัวจริงมาเยี่ยมเรา ตอนที่เรานอนหลับเราคิดว่าเราฝันแต่ความจริงเป็นดวงวิญญาณที่เขาเข้ามาเยี่ยมเราก็ได้ในตอนที่เรานอนหลับหรือว่าเป็นความคิดปรุงแต่งของเราปรุงแต่งขึ้นมาก็ได้อันนี้เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่หามาตรการพิสูจน์นถ้าอยากจะรู้มาตรการพิสูจน์ก็ จ, จะต้องให้เขายืนยันเหมือนพาสเวิร์ดคุณมีพาสเวิร์ดหรือเปล่า <laughs> <c oughs> คุณบับพาดปวดให้เราทร้าง <c oughs> อย่างนี้เช่นคุณเคยเก็บของไว้ตรงไหนหรือเปล่าเออที่เราไม่รู้เออบอกแล้วาสิว่าคุณเก็บกุญแจแล้วเก็บแหวนไว้ตรงไหนในเสื้อไหนหรือเปล่าเออแล้วถ้าเขาบอกว่าเออเก็บไว้ตรงนูน้นตรงนี้แล้วเราเตือนขึ้นมาแล้วเราไปพรมค้นหาดูเอ้ยมีอย่างที่เขาบอกนีเอออย่างนี้เราจ ะ, จะรู้ว่า <c oughs> เป็นของจริงมาเยี่ยมเราไม่ได้เป็นความคิดของเราคิดขึ้นมา <laughs> ไม่เคยคิดว่าคำนี้มันจะออกมาได้ <laughs> มันมาของมันเองพัดว้วยตอบไปทม ต้องพุทโธพุทโธอือพุทโธพุทโ ธ, ทธไปหายแล้วหายแล้วอย่าคิดพุทโธไปเลยคำถามจากคุณแคทนักบวชเมื่อผิดศีลขาดจากเพศนักบวชเมื่อออกมาเป็นคารวาสจะสามารถได้ธรรมะหรือไม่คะได้แต่ทำขั้นต่ำกันสมค ง, งจะไม่ได้ เพราะว่ามันยังติดอยู่มันยังมันยังสอบไม่ผ่านพูดง่ายๆ mm hmm. เขาเลยไม่ให้เข้าห้องสอบในการไปเป็นพระนี่เป็นการเข้าห้องสอบดีๆนี่เองเมื่อสอบไม่ผ่านเขาก็เลยเขีย่ยออกไปเกะกะไปขวางทางผู้อื่นแค่นั้นเองคนที่พระที่บวชแล้วถูกจับเศึกนี่แสดงว่าคุณสมบัติของการเป็นพระนี่คุณสมบัติที่จะไปนิพพานนี่ยังไม่ไม่ครบ ต้องกลับไปสร้างใหม่กลับไปเสริมสร้างคุณสมบัติคือศีลนะประราทศีนี่ก็คือการทำบาปสี่ข้อบาปด้วยการฆ่ามนุษย์บาปด้วยการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นบาปด้วยการลักทรัพย์บาปด้วยการโกหกอวดอุดตลึคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวตนไม่มีในตัวของตนพระที่มาทำบาปสี่ข้อนี้ถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นพระ าาคุณสมบัติที่จะไปสู่พระนิพพานได้ต้องไปหัดเริ่มต้นใหม่ต้องไปหัดเป็นค า, า, ารวะไปหัดรักษาสีหน้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยไต่เต้าขึ้นมารักษาสีแปดแล้วมาฝึกสติมาเจริญสติสมาธิใหม่แต่สำหรับชาตินี้อาจจะสายเกินไปแต่ก็ไม่น่าสำหรับคนบางคนเช่นองคุลิมานนี่กอ พอฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอพระพุทธเจ้าบอกเฮ้ย hey, กลับไปล้นต้นเริ่มต้นใหม่ฆ่าคนนี้มันไปนิพพานไม่ได้ต้องไปหัดฆ่ากิเลสพอกลับไปหัดฆ่ากิเลสก็ไปเป็นพาาระอรหันต์ได้นี่ต้องมีพระพุทธเจ้าทันะ้งนนสสำหรับคนที่เป็นปาราชิกแล้วอยากจะกลับไปเป็นพระอริยบุคคล น, นี่ต้องมีคนที่รู้รู้จริตรู้ธรรมะที่เหมาะกับคนนี้ว่าควรจะสอนอย่างไรถ้าสอน นี่เขาก็จะสามารถที่จะบรรลุทําได้คําถามจาคุณสริสามีญาติขอยืมเงินมาขอโอโหสิกรรมได้ไหมเจ้าคะแล้วเขาไม่ต้องชดใช้กรรมหรือเจ้าคะก็นี่ไงคำว่ากรรมก็คือนี่ถ้าเรายกนี่เขาเขาก็ไม่ต้องใช้นี่เราเท่านั้นเองอยู่ที่เราเราถ้าเราต้องการเอาคืนเขาก็ยังเป็นนี่เราอยู่เขาก็ยังต้องชดใช้กรรม เพราะว่าถ้าเขาไม่ใช้เราก็ไปฟ้องตำรวจจับยึดทรัพย์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราสงสารเขาไม่อยากจะให้เขาทุกข์เดือดร้อนจากการที่เขามีหนี้มีกรรมกับเราแล้วก็เอาโหสิกรรมยกโทษให้เขาไปคำถามจากคุณวานิศเป็นสามีภรยากาันถ้าภรยาทำบุญสามีไม่รู้สามีจะได้บุญไหมครับถ้าเป็นทรยบของทั้งคู่ก็ได้ครับ ถ้าเป็นของภรรยาคนเดียวก็เป็นของภรรยาไปถ้าเป็นทรัพย์ของสามีแล้วไปเอามาโดยที่เขาไม่รู้ก็เป็นการรักขโมยได้บุญด้วยได้บาปด้วยเอยานีนก็ต้องรู้ก่อนว่าเงินที่เอาไปใช้นี่เป็นของใครถ้าเป็นของคู่กันก็ควรจะบอกให้กันรับรู้ก่อนเพื่อเขาจะได้อนุโมทนายินยอมถ้าเขาไม่ยินยอมเขาก็ไม่ได้บุญ เราจะได้ความโกรธแทนความเสียดายเธอทำมาเอาเงินไปทําบุญทําไมทําไมไม่เก็บเอาไว้ใช้นูน่นใช้นี่ที่จําเป็นแทนจะมีความสุขก็เกิดมีความทุกข์มีความระหองระแหงกันแต่ถ้าบอกเขาว่าพี่หนูจะเอไปทําบุญนะพี่ว่าไงเออสาธุเอาไปเลยอสามีก็ได้บุญะภรรยาก็ได้บุญการทาบุญนี้ต้องบ่งใสโปร่งใสอย่าไปทําแบบลับๆล่อๆ <c oughs> คำถามจากคุณไพลินการที่เราให้อาหารสัตว์น้องหมาน้องแมวเพราะความสงสารแต่ถูกเพื่อนห้ามไว้บอกว่าจะเป็นเวรเป็นกรรมไม่รู้จบแต่ที่หนูเข้าใจการให้อาหารสัตว์คือการแผ่เมตตาต่อสัตว์หนูเข้าใจถูกต้องไหมคะถูกแล้วเป็นการแผ่เมตตาเป็นการสร้างบุญบารมีไม่ได้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมในอย่างใด เวรกรรมมันเกิดจากการที่เราไปทําให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราเกิดเกิดไปพบกันที่ไหนชาติไหนก็จะอาฆาตพยาบาทกันจองเวรจองกรรมกันไปแต่ถ้าทําบุญทํากรรมกันทําบุญด้วยกันทําบุญสงเคราะห์เขาด้วยความเมตตาการุณาก็จะเป็นคู่บุญไปเจอ ก, กันที่ไหนก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน เขาเคยช่วยเราตอนนี้เราดีก่าเขาเราก็จะช่วยเขาอะไรทำนองนี้เรียกว่าเป็นการสร้างคู่บุญไม่ใช่เป็นสร้างคู่เวรคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมเกิดจากการทาบาปคู่บุญนี่เกิดจากการทำบุญคำถามจากคุณช่อเพชรถ้าละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสและทำบุญบ่อยๆแต่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจะสามารถปิดอบัยภูมิได้หรือไม่เจ้าคะ ถ้าจะเปิดนก็ต้องให้มันทำบุญให้มากกว่าทำบาปนะเหมือนกับจะไม่ให้ล้มละลายทำยังไงบริษัทก็ต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเห็นไหมถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็เดี๋ยวก็ถูกก็ฟ้องล้มละลายเจ้าหนี้จะมาทวงหนี้ไม่มีเงินจ่ายหนี้เขาเขาก็ฟ้องล้มละลายได้ฉันใดถ้าไม่ต้องการไปอบายซึ่งเป็นเหมือนการล้มละลายของจิตใจก็ต้องมีบุญมากกว่ามีบาป บุญก็เป็นเหมือนทรัพย์สินบาป ก, ก็เป็นเหมือนหนี้สินนี่เองต้องมีทรัพย์สินมีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีมากกว่าหนี้ศินก็จะไม่ล้มละลายทางจิตใจต้องมีบุญมากกว่าบาปคําถามจากคุณวิชัยการรับขันที่เห็นปัจจุบันจะต้องมีการไหว้ครูหรือเข้าทรงซึ่งไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกศาสนาไม่มีขันะ ไม่มีการให้ขันมีแต่ให้ธรรมะคําสั่งคําสอนจากคุณอรุณโอไทยการปฏิบัติธรรมยังไงไม่จะปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ตัวเองหมุนไม่ให้ตัวเองหลับพอนิ่งเหมือนตัวเองลอยแล้วหล่นวูบควรทําอย่างไรเจ้าคะก็ไม่มีสติพยายามไปนะั่นั่งสมาธิต้องมีพุโทโธพุโทโธกํา ก, กับใจ หรือมีการดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆก็จะเกิดอาการแปลกๆอย่างที่พูดอย่างที่พูดมาให้ฟังเนี่ยจิตมันก็จะมีการปรุงแต่งมีการผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกมาล่อเราให้ดีใจเดี๋ยวก็ให้เสียใจให้ยินดีแล้วเดี๋ยวก็ให้เกิดความกลัวพอกลัวแล้วทีนี้ก็ไม่กล้านั่งอีกต่อไปหรือถ้าเกิดความหลงก็กลายเป็นคนบ้าไป <c oughs> ้านั่งแบบไม่มีสติะ ยังต้องระมัดระวังอย่านั่งแบบนั้นนั่งเราต้องมีสติเหมือนเหมือนผู้ใหญ่ต้องคอยเหมือนเด็กต้องคอยมีผู้ใหญ่คอยกํากับคอยเฝ้าดูถ้าปล่อยเด็กทารกให้อยู่ตามลาพังเดี๋ยวก็เกิดอันตรายได้แต่ถ้ามีผู้ใหญ่คอยเฝ้าดูมันก็จะปลอดภัยนะครับนั่งสมาธิต้องนั่งแบบมีสติกํากับใจอย่าปล่อยให้ไม่มีสติแล้วเดี๋ยวจะมีอาการแปลกๆปรากฏขึ้นมา ถ้าไม่รุนแรงก็ยังปลอดภัยอยู่ถ้าเกิดไปเจออาการรุนแรงนี้อาจจะเกิดการเสียสติเป็นบ้าขึ้นมาได้คำถามจากคุณโอเคสวิตตี้ดิฉันได้รับคำแนะนำจากดรดาราวันว่าให้เรียนถามคำถามกับพระอาจารย์เนื่องจากมีคำถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิปัจจุบันดิฉันได้ใช้วิธีดูจิตเคยเห็นจิตเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลง ครั้งล่าสุดปวดหัวมากเลยดูตรงที่ปวดพบว่าปวดหนักขึ้นจนแทบไม่ไหวเลยไม่ดูที่ปวดเอาแค่มองเฉยๆพบว่ามีแสงสว่างวงกลมสีเหลืองนวลลอยอยู่แต่เป็นแค่แว บ, บเดียวสักพักรู้สึกว่าตรงตรงกลางตัวเราเย็นดีน่าจะเอาจิตไปอยู่ตรงนั้นจะดีกว่าพอมองไปก็รู้สึกว่าปวดหัวน้อยลงประกอบกับได้นั่งหลับทําให้ความปวดคลายตัวลงและหายไปได้ อยากเรียนถามว่าจะทําอย่างไรจิตจึงจะเห็นการเกิดดับของจิตเพื่ออย่างรู้สภาวะธรรมขั้นสูง๋ยังไม่ถึงเวลาอันนั้นขั้นปัญญาขั้นสูงขั้นวิ่งขั้นเดินตอนนี้ยังคลานอยู่มาหัดยืนก่อนมาหัดฝึกสติก่อนมาควบคุมจิตให้สงบก่อนถ้านั่งแบบนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นบ้าได้เดี๋ยวจิตมันก็ผลิตอาการอย่างที่เล่ามาให้ฟังเดี๋ยวปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ขึ้นมา อย่าอย่านั่งแบบนี้อันตรายบอกได้เพียงเท่านี้ถ้าอยากจะนั่งแบบปลอดภัยไปฝึกสติก่อนไปเจริญพุโทโธพุโทโธไปเจริญกายกตาสติแล้วเวลามานั่งก็ใช้ลมหายดูลมหายใจหรือว่ามาพุโทโธพุโทโธไปอย่านั่งโดยไม่มีสติกำกับใจใจจะไม่มีวันสงบเมื่อไม่สงบไปทางวิปัสสนาทางปัญญาไม่ได้เพราะใจจะไม่มี ไม่มีหลักเกณฑ์ของการตัดสินความถูกต้องว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้ามีสมาธิแล้วใจจะมีอุบเบกขาใจจะรู้ว่าการตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกนี่อยู่ที่อยู่ที่ความสงบนี่เองถ้าอะไรที่มาขัดกับความสงบอันนั้นไม่ถูกอันไหนที่เราทําให้สงบอันนั้นถูกเงี้ยถ้าเราไม่มีความสงบเราจะไม่มีมัดที่จะวัดทางปัญญาได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่ว นอย่าไปทางปัญญาถ้ายังไม่มีเครื่องวัดไปวัดสิ่งที่ผิดหรือถูกว่าอะไรผิดอะไรถูกมาสร้างเครื่องวัดก่อนมาสร้างสติสร้างสมาธิก่อนพอมีเครื่องวัดแล้วทีนี้จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ต้องไปเรียนตำราไม่ต้องค้นหาตำราตำราอยู่ในใจเราเนี้ยตัวที่วัดผิดถูกดีชั่วก็คือความสงบนี่เองคถามจากคุณเชอรี่ การนั่งฟังธรรมเวลาเรานั่งฟังนั่งแบบนั่งสมาธิหลับตาฟังธรรมเราจะต้องบริกรรมพุโทโธด้วยหรือไม่คะหรือแค่หลับตาหูฟังอย่างมีสติสังปชัญญะอก็ต้องฟังสิไปพุโทโธทําไมมันเด็กก็มันชนกันถ้าไปพุโทโธก็ไม่ต้องฟังธรรมถ้าจะฟังธรรมก็ไม่ต้องพุโทโธมันเป็นคนละเรื่องกันคําถามจากคุณสุตาพัฒน ฝันเห็นหลวงพ่อพาข้ามฝั่งจากอีกด้านหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วให้ขึ้นรถต่อแต่ลูกไม่ขึ้นตามได้แต่ยืนส่งหลวงพ่อเท่านั้นอยากถามว่าลูกดื้อไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมคะอะก็ถามตัวเองนี่มาถามเราทำไมอะไรวะ <c oughs> หมดหรือยังอาเมีาเมคำถามทั้งนี้หน่อยเดี๋ยอีกสองนาที กับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับกับผมเป็นผู้คองเรือนครับก็อยู่กับคู่ได้สิบสองปีแล้วก็ตอนนี้ก็มาหาทรัพย์ภายในกำลังสร้างทรัพย์ภายในอยู่ครับก็ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งทำมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนคู่ชีวิตเนี่ยเห็นว่าเราเปลี่ยนไปเยอะอย่างตอนเนี้ย กับผมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็ตัดสินใจมาเมื่อวานรู้สึกว่ามีความศรัทธาก็สตาร์ตรถจากกรุงเทพแล้วก็มาปฏิบัติเลยนะครับแล้วก็โทรไปบอกเขาปรากฏว่าเขาบอกเขาก็โกรธมากกับผมจะเป็นบาปไหมครับเขาโกรธเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าครับแล้วก็ระบายอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยคือเราต้องรู้หน้าที่ของเราเนี่ย เราเป็นคนมีชีวิตคู่งั้นเราทําอะไรเราต้องทําควบคู่กันไปถ้าเราจะทําอะไรโดยพระการนี้เราต้องเป็นโสดงั้นเราทําผิดหน้าที่ทําผิดกฎของเราเราเป็นคนที่มีครอบครัวมีภรรยามีคู่ครองงั้นการจะทําอะไรต้องรับรู้ร่วมรับรู้และมีความเห็นชอบพ้องต้องกัน ถึงจะไม่มีปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นพอเราทำแบบนี้ก็เหมือนว่าเราไม่สนใจเขาเราไม่ยอมอทำอะไรร่วมกับเขาเพราะความสุขของคู่ครองก็คือการทำอะไรร่วมกันนั่นเองเมื่อเราไปแยกตัวดังแล้วแยกวงมันก็เกิดปัญหาขึ้น <c oughs> <c oughs> ก็ต้องต้องทำความเข้าใจต้องคุยกันต้องอธิบายว่าตอนนี้คนนอกใจเขาเสียจแล้ว ถึงแมาคนที่เรานอกใจนี่ไม่ใช่เป็นคนแต่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็เป็นเหมือนนอกใจเขานั่นแหละพ่าคุณไม่ทําหน้าที่ของคู่ครองที่ดีซะแล้วไม่ให้ความสุขกับคู่ครองของคุณคุณจะหาความสุขของคุณคนเดียวอันนี้ก็ต้องคุยกันปรับความเข้าใจว่าจะเอาอยัางไงดีคุณก็ต้องปรับเขาก็ต้องปรับนี่จะปรับยังไงก็ต้องแล้วแต่ว่าจะ จะจะจะมีความเห็นอย่างไรแต่ถ้าทำแบบนี้มันก็ต้องเกิดปัญหาอย่างแน่นอนเพราะเหมือนกับเล่นฟุตบอลแล้วไม่เตะตามกฎกติกาฝ่ายตรงกันข้ามก็ต้องโวยวายเฮ้ยจับลูกวิ่งได้ไงวะลูกเข้ <laughs> <laughs> เาใจั้มครับโอเคนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลา ก็ขอให้ท่านตรงนำ้นเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอ